14. จุดทัศมณัย 14. วิปยุตเตนะสังคหิตาสังคหิตะปทานิเทศ 1. สภาวธรรมมีขันเป็นต้น 456. สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากปรุปขันสภาวธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจักขายตนะโพธพายตนะจักขุธาตโพัพธาตสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน อ, อยายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและธาตุสิ459สสภาวธรรมเหล่าใด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 ไม่มีขันและอยายตนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่ตรงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหนึ่งสสภาวธรรมมีสัจจะเป็นต้น460สภาวธรรมเหล่าใดวิป ย, ยุจจากทุกขสัตว์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่ง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 ที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้462สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากนิโรธสัตว์จากขุนศโสติน4คานินศีชิวหิน4กายินศอิทธินศปุริศินศ ส, สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันศีอายตนะสองและาธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนาสิและธาตุสิบสสิบสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสุขขินสี่ทุกขินสี่โสมนัสสินสี่โทมนัสสินสี่สภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนาสิสและธาตุส สงเคราะ์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและาธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้464สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอุเปกขินสสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นาธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายาตนะ12และาธาตุสิบสสงเคราะห์ เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะส่งเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สรงเคราะห์เข้าไม่ได้กับาธาตุห465สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสัตตินสีวิริยินสีสตินสีสมาตินีปัญญินสีอนัญญาตัญญสามีตินสีอัญยินสีอัญญาตาวินสี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 สงเคร mainland, าะห์เข้าได้กับขันสีอายตนะสองและธาตุ 3. สสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิ 4, และธาตุสิบห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากามมพสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสีอายตนะสองและธาตุห สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุสิบสาสรเจ็ิสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปประพบอสัญญาพพเอกโวการพพปริเทวะสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะสองและธาตุแ สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะละธาตเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายะตะสิบระธาสิบส4 7 1สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอรูปภพเนวสัญญาณาสัญญาภ พ, พจตัวการะภ พ, พโศกะทุกข์โทมนัตอุบายสติปฐานสมปทานอิทธิบาทฌาน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 แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหนึ่งศีติกะ474 ส, ส, ส, สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว สงเคราะห์เข้าได้กับขน 5, ันห้าอายตนะสิและธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขนันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขนันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ส7่สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว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 ไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขน 4, ันธ์สอายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขน 1, ันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุสิบสีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบได้ตันหาและทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขัน 4, ธ์สอายตนะสองและธาตุสสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อยธายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 1, ธ์หนึ่งอายตนะสิและธาตุสิบห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุสสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุสิ4ห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่านั้น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 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเพื่องบนสามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเพื่องบนสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุดติสภาวธรรมที่เป็นเหตุใหถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสคบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอาศะบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคตะ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 วิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุดติและนิพพานสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาสะบุคคลสภาวธรรมที่เป็นปริฏตะสภาวธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท FE ่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะ10และธาตุสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอปปามานะสภาวธรรมชั้นประนีตสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่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 สภาวธรรมที่มีอัปปามะนัเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมักเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมักเป็นอธิบดีสภาวธรรมเหล่านั้น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 สภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหอายตนะ12และธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเ ท, ท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ส9 3ราสภาวธรรมเหล่าใด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 แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุห 5. ทุกกะส9 4สสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมประยุติด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมประยุติด้วยเหตุ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 สงเคราะห์เขาไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะ10บและธาตุสิบหกสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุต ด, ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ สภาวธรรมเหล่านั้นเว้นาธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิและาธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะและาธละาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้499สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 ห้าอดสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นคันทะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณสภาวธรรมที่เป็นปรามาตสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาตสภาวธรรมที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาต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 สภาวธรรมที่บุรคลกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแนล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ1ิและธาตุ1 1สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 4. อายตนะหนึ่งและธาตุาเ 4, ะะ 1, ะะ 7, 5็ด สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานยรูปสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุแปด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึง่งยัญตนะ10และธะาตุ ส, สิบห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ยัญตนะสองและธาตุสสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขั น, นอายตนะและธาตุเท่าไร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 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิและทาติบแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าทเท่าไร ไม่มีขนันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะตรงเคราะห์เข้าไม่ได้ห้า้อยสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้น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 สงเคราะห์เข้าได้กับขัน 4, อายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะ10และธาตุ 10. 10. สิบห้สสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาบธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ği, สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบน 3, สามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก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 วิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสีอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขัน 4, ธ์สอายตนะสองและาธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อยธายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 1, ธ์หนึ่งอายตนะสิบและาธาตุสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุ สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและาธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและาธาตุสิบห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร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 ห้าร้อยสิบปดสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอบรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรมสภาวธรรมเหล่านั้น สงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและาธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและาธาตุสิบหกรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในจุดทัศมสี่สิบเจ47บทธรรมอายตนะหนึ่งธรรมาธาตุหนึ่งชีวิตินสีหนึ่งนามรูปหนึ่ง สลายตนะหนึ่งชาติหนึ่งชาาหนึ่งมรณะหนึ่ง2สองบทจากติกะคืออจัตตหิทธะและอนิทัศนะอปปติคะในจูรันตระทุกกะแรกเจดบทในโคจตชะกะ1ิบบทในมหันตระทุกกะถัดมา14บท ในปิฐิทุกกะสุดท้ายหบทสภาวธรรม47ประการเหล่านี้ย่อมไม่ได้ในสมุิเฉทนัในคือจุตสมมายและในอัตธธมาในที่ชื่อว่าโมคปุจจกะวิปยุตเตนะสังคหิตาสังคหิตะปทานิเทศที่14จบ ประการที่ชื่อว่ า, าธาตุกฐาจบบริบูรณ์